ธรรมบทแปลเรื่องที่11เรื่องธามิกะอุบาสกข้อความเบื้องต้นพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเจตวันทรงปรารบธรมิกะอุบาสกตรัสพระธรร ม, มเทศนานี้ว่าอิทะโมดติเปจติโมดติเป็นต้นตอนอุบาสกและครอบครัว บําเพ็ญกุศลเป็นนิจได้ยินว่าในเมืองสาวัตถีได้มีอุบาสกผู้ปฏิบัติธรรมประมาณห้าร้อยคนบรรดาอุบาสกเหล่านั้นคนหนึ่งคนหนึ่งมีอุบาสกเป็นบริวารคนละห้าร้อยอุบาสกที่เป็นหัวหน้าแห่งอุบาสกเหล่านั้นมีบุตรเจ็ดคนทิดาเจ็ดคนบรรดาบุตรและธิดาเหล่านั้น คนหนึ่งคนหนึ่งได้มีสลากยาคูสลากกพัฒปักขีกะพัฒสังกพัฒอุโ ป, โปสถิกะพัตอาคันตุกะพัฒวัสสาวาสิกะพัฒอย่างละที่ชนแม้เหล่านั้นได้เป็นผู้ชื่อว่าอนุชาตบุตรด้วยกันทั้งหมดทีเดียวเป็นนั้นว่าสลากยาคูเป็นต้น16ที่คือของบุตร14คน ของภรรยาหนึ่งของอุบาสกหนึ่งยเป็นไปด้วยประการชนี้เขาพร้อมทั้งบทและภรรยาได้เป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมมีความยินดีในอันจำแนกทานด้วยประการชนี้ต่อมาในการอื่นโรคเกิดขึ้นแก่เขาอายุสังขารเสื่อมรอบแล้วตอนอุบาสกป่วยนอนฟังธรรม เขาใคร้จะสะับธรทมจึงส่งคนไปสู่สำนักพระสัสดาด้วยกราบทูลว่าขอพระองค์ได้โปรดส่งภิกษุ8รูปหรือส6หรูปประทานแก่ข้าพระองคเถิดพระสัสดาทรงส่งภิกษุทั้งหลายไปภิกษุเหล่านั้นไปแล้วนั่งบนอาสนะที่ตกแต่งไว้ล้อมเตียงของเขาอันเขากล่าวว่าท่านผู้เจริญ การเห็นพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายจากเป็นของอันกระผมได้โดยยากกระผมเป็นผู้ทุพพลภาพขอพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายจงสาธยายพระสูตรพระสูตรหนึ่งโปรดกระผมเถิดจึงถามว่าท่านประสงค์จะฟังสูตรไหนอุบาสกเมื่อเขาเรียนว่าสติปัฏฐานสูตร ที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่สง้าแล้วจึงเริ่มสวดพระสูตรว่าเอกายโนอายังพีเวมัรโครสตตานังวิสุทธิยาเป็นต้นในวงเล็บภิกษุทั้งหลายทางนี้เป็นทางไปอย่างเอกเพื่อความหมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลายตอนเทวดานำร ถ, ารถมารับอุบาสกไปเทวโลก ขณะนั้นรถหคันประดับด้วยอลังการทุกอย่างเทียมด้วยม้าสินทบพันตัวประมาณได้ร้อหโยดมาจากเทวโลกหกชั้นเทวดายืนอยู่บนรถเหล่านั้นต่างก็เชื้อเชิญว่าข้าพเจ้าจากนําไปยังเทวโลกของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจากนําไปยังเทวโลกของข้าพเจ้าท่านผู้เจริญขอจงเกิดในที่นี้ เพื่อความยินดีในเทวโลกของข้าพเจ้าเหมือนคนทำลายภาชนะดินแล้วถือเอาภาชนะทองคำอุบาสกไม่ปรารถนาจะให้เป็นอันตรายแก่การฟังธรรมจึงกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงรอก่อนจงรอก่อนตอนพวกภิกษุและบุตรธิดาของอุบาสกเข้าใจผิดภิกษุ ตางหยุดนิ่งด้วยเข้าใจว่าอุบาสกพูดกับพวกเราลำดับนั้นบทละทธิดาของเขาคิดว่าบิดาของพวกเราแต่ก่อนเป็นผู้ไม่อิ่มด้วยการฟังธรรมแต่บัดนี้ให้นิ ม, มนต์ภิกษุมาให้ทาสาธยายแล้วห้ามสีเองเที่ยวชื่อว่าสัตว์ผู้ไม่กลัวตอ ม, มรณะไม่มีดังนี้แล้วเรื่อร้องไห้พวกภิกษุปรึกษากันว่า บัดนี้ไม่เป็นโอกาสแล้วจึงลุกจากอาสนะหลีกไปอุบาสกยังเวลานิดหน่อยให้ล่วงไปแล้วกลับได้สติถามลูกๆว่าเพราะเหตุอะไรพวกเจ้าจึงกล่ำครวนกันเล่าพวกบุตรจึงบอกว่าพ่อพพอให้นิ ม, มนต์ภิกษุมาแล้วฟังธรรมอยู่ห้ามเสียเองเดียวเมื่อเป็นเช่นนั้นผมทั้งหลายจึงคิดว่า ชื่อว่าสัตว์ผู้ไม่กลัวต่อมรณะไม่มีดังนี้จึงกล้ามครวญอุบาสกก็พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายไปไหนเสียบุตรพ่อพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายท่านพูดกันว่าไม่เป็นโอกาสลุกจากอาสนะหลีกไปแล้วอุบาสกพ่อไม่ได้พูดกับพระผู้เป็นเจ้าบุตร ถ้าเช่นั้นพ่อพูดกับใครอุบาสกเทวดาประดับรถหกคันนํามาจากเทวโลกหกชั้นพักอยู่ในอากาศต่างเปล่งเสียงว่าขอท่านจงยินดีในเทวโลกของข้าพเจ้าขอท่านจงยินดีในเทวโลกของข้าพเจ้าพ่อพูดกับเทวดาเหล่านั้นต่างหากบุตรพอ่อรถที่ไหนพวกผมไม่เห็น อุบาสกกดอกไม้ที่ร้อยเป็นพวงเพื่อพ่อมีไหมบุตรมีพ่ออุบาสกเทวโลกชั้นไหนควรเป็นที่รื่นรมบุตรพบตุสิทธิ์อันเป็นที่ประทับอยู่ของพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ของพระพุทธมารดาและของพระพุทธบิดาเป็นที่รื่นรมสิพ่อ อุบาสกถ้ากระนั้นพวกเจ้าจงเสี่ยงว่าขอพวงดอกไม้จงคล้องที่รถมาจากภพดุสิตทั้งนี้แล้วเหวี่ยงพวงดอกไม้ไปเถิดบุตรเหล่านั้นได้เหวี่ยงไปแล้วพวงดอกไม้นั้นได้คล้องที่แอกรถห้อยลงในอากาศมหาชนหินแต่พวงดอกไม้นั้นหาเห็นรถไหมอุบาสก พ, พูดว่า เจ้าทั้งหลายเห็นพวงดอกไม้นั่นไหมเมื่อบุตรตอบว่าเห็นจ้าจึงกล่าวว่าพวงดอกไม้นั่นห้อยที่รถซึ่งมาจากดุสิตเราจะไปสู่พบดุสิตพวกเจ้าอย่าวิตกเลยพวกเจ้ามีความปรารถนาจะเกิดในสำนักเราก็จงทำบุญทั้งหลายตามทรรนองที่เราทำแล้วเถิดเรื่องนี้แล้วทำกาละ ดำรงอยู่บนรถที่มาจากภพดุสิทธิ์อัฐภาพของเขาสูงประมาณสมข่าวุธประดับด้วยอลังการหนักได้60สเล่มเกวียนเกิดในทันใดนั่นเองนางอับสอนพันหนึ่งแวดล้อมแล้ววิมานแก้ประมาณ25โยศปรากฏแล้วพระสัสดาตรัสฐานภิกษุแม้เหล่านั้นผู้มาถึงวิหารแล้วโดยลำดับว่าภิกษุทั้งหลาย อุบาสกได้ฟังธรรมเทศนาแล้วหรือภิกษุฟังแล้วพระเจ้าข้าแต่อุบาสกได้ห้ามเสียในระหว่างนั่นแลว่าขอท่านจงรอก่อนลำดับนั้นบุตรและธิดาของอุบาสกนั้นค่ำครวนกันแล้วพวกข้าพระองค์ปรึกษากันว่าบัดนี้ไม่เป็นโอกาสจึงลุกจากอาสนะออกมาพระสัสดา ภิกษุทั้งหลายอุบาสกนั้นหาได้กล่าวกับพวกเธอไม่ก็เทวดาประดับรถหคันนำมาจากเทวโลกหกชั้นเช้อเชิญอุบาสกนั้นแล้วเธอไม่ปรารถนาจะทำอันตรายแก่การแสดงธรรมจึงกล่าวกับเทวดาเหล่านั้นภิกษุอย่างนั้นหรือพระเจ้าข้าพระสัสดาอย่างนั้นภิกษุทั้งหลาย ภิกษุบัดนี้เขาเกิดแล้วนะที่ไหนพระสัสดาในภพดุสิตภิกษุทั้งหลายภิกษุข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอุบาสกนั้นเที่ยวชื่นชมในถ้ำกลางญาติในโลกนี้แล้วเกิดในฐานะเป็นที่ชื่นชมนั่นแลอีกหรือพระสัสดาตรัสว่าอย่างนั้นภิกษุทั้งหลาย พระคนผู้ไม่ประมาทแล้วทั้งหลายเป็นกราหัส์ก็ตามเป็นบรรพชิตก็ตามย่อมบันเทิงในที่ทั้งปวงทีเดียวดังนี้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่าอธิโมดติเปจโมดติโซโมดติโซปโมดติกตาปุญโญอุภยทัะโมดติดิสวากรร ม, มวิสุทธิมั ต, ตโน ผู้ทำบุญไว้แล้วย่อมบันเทิงในโลกนี้ลาไปแล้วก็ย่อมบันเทิงย่อมบันเทิงในโลกทั้งสองเขาเห็นความหมดจดแห่งกรรมของตนย่อมบันเทิงเขาย่อมรื่นเริงตอนแก้อัดบรรดาบทเหล่านั้นบทว่ากระตะปุญโญเป็นต้นความว่าบุคคลผู้ทำกุศลมีประการต่างๆย่อมบันเทิง ด้วยความบันเทิงเพราะกรรมในโลกนี้ว่ากรรมชั่วเราไม่ได้ทำเลยกรรมดีเราทำแล้วหนอละไปแล้วย่อมบันเทิงด้วยความบันเทิงเพราะวิบาชื่อว่าย่อมบันเทิงในโลกทั้งสองอย่างนี้บทว่ากรรมมาวิสุทธิ์ทิงเป็นต้นความว่าแม้ธามิกาอุบาสกเห็นกรรมอันหมดจด คือความถึงพร้อมแห่งบุญกรรมของตนแล้วก่อนแต่จะทำกาลกิริยาย่อมบันเทิงแม้ในโลกนี้ทำกาลแล้วบัด น, นี้ก็ย่อมบันเทิงคือย่อมบันเทิงยิ่งแท้แม้ในโลกหน้าในการจบคถาชนเป็นอันมากได้เป็นอริยบุคคลมีพระโสดาบันเป็นต้นพระธรรมเทศนาได้มีประโยชน์แก่มหาชนดังนี้แล เรื่องทำมิกะอุบาสก